fm 89.5 MHz มสร้างสรรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรี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 ต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเพลินภาษานานาสาระดาเนินรายการโดยอาจารย์โสพลสาธรสำริจผลสนับสนุนรายการโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมุ่งมัน่นที่จะผลิตทรัพยากรบุคคลให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติทางด้านการท่องเที่ยวการโรงแรมและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีคุณภาพ สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านต้อนรับทุกท่านสู่รายการเพลินภาษานานาสาระอังสถานีวิทยุราชมงคลธันญบุรีคลื่น 89.5 เมกะเฮิรตส์อย่างนี้เป็นประจำวันนี้มีเรื่องที่อยากจะพูดคุยกันเกี่ยวกับอุปนิสัยหนึ่งของคนไทยก็คือเรื่องของการอ่านหนังสือ แต่พพูดว่าการอ่านหนังสือมันก็อาจจะตีความค่อนข้างที่จะแคบไปสักหน่อยขออนุญาตลดลงเหนือว่าการอ่านแล้วกันสถิติที่เราค่อนข้างจะภาคภูมิใจเมื่อเมื่อประมาณสองสมอาทิตย์เห็นจะได้ที่เราคุยกันเรื่องของออการอ่านของคนไทยเพราะเรามีสัปดาว่าด้วยสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ คาจริงแล้วตัวเลขที่เราพูดคุยกันเรื่องของสถิติการซื้อหนังสือติดอันดับไหนของโลกเนี่ยเราพูดกันมาได้สักพัดหนึ่งแล้วตั้งแต่เมื่อประมาณสักเดือนในสายนที่ผ่านมาเห็นจะได้มีเว็บไซต์ชื่อ pickodi.com ได้สำรวจแนวโน้มในการซื้อหนังสือของผู้บริโภคซึ่งก็เผยแพร่ข้อมูลเดือนในสายนที่ผ่านมาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 7,800 คนจาก41ประเทศทั่วโลกพบว่าช่วงเดือนมีนาคม2562เนี่ยนะครับมีสถิติชี้ให้เห็นว่าคนไทยต้องการซื้อหนังสือในร้านหนังสือออนไลน์เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เป็นช่วงโปรโมชั่นช่วงลดราคา มีการแจกการแถมอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นจึงมีแนวโน้ม ว, ว่าประมาณเดือนมีนาคมเมษายนและเดือนตุลาคมเป็นช่วงที่ร้านหนังสือออนไลน์นั้นเนี่ยเอ่อก็จะนาหนังสือที่ไม่ใช่สินค้ายอดนิยมนั้นมาลดราคาช่วงเวลาดังกล่าวจึงเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะคึกคักที่สุด การที่บอกคึกคักที่สุดนั้นมันก็สอดคล้องกับหลายปัจจัยเช่นที่ได้พูดแล้วมันมีเรื่องของอสัปดาห์หนังสือแห่งชาติซึ่งเดิมนั้นเคยจัดที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศริกิจสำหรับปีนี้ก็ศูนย์เศรษกิจมีอันต้องปรับปรุงบูรณะจิงย้ายไปจัดที่เมืองทองภานีผลที่เราพบก็คือมีนาเมษาและตุลาคมนั้นเนี่ย เป็นช่วงที่ภาษาธุรกิจเรียกว่ามันพีคสุดแต่ส่วนเดือนอื่นๆที่มันลดน้อยลงไปก็อาจจะมีบ้างเช่นเดือนที่ต่ำๆนี่เดือนกุมภาพันธ์เดือนกันยายนพฤศจิกาย น, นนี่คือข้อมูลเก่าทำให้ชี้ให้เห็นว่าร้านหนังสือเนี่ยยังน่าจะเป็นจุดหมายสำคัญซึ่งเป็น จุดหมายปลายทางของคนไทยที่รักการอ่านผลสำรวจพบว่าคนไทยส่วนใหญ่63เปอร์เซ็นื้อหนังสือในร้านหนังสือมีเพียง5เปอร์เซ็น์เท่านั้นที่ยืมนี่ไม่ได้ซื้อแต่ยืมมาจากห้องสมุด3เปอร์เซ็นตไม่ได้ซื้อไม่ได้ยืมจากห้องสมุดแต่ขอยืมมาจากเพื่อนที่เหลืออีก ยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นตนั้นข้อมูลพบว่าไม่ค่อยได้อ่านหนังสือหรือแทบจะไม่อ่านหนังสือเลยหนังสือในรูปแบบที่เป็นกระดาษนั้นเนี่ยยังคงเป็นทางเลือกหลักของคนไทยผลสารวจบอกว่าคนไทยซื้อหนังสืออย่างน้อยกี่ละหนึ่งเล่มมองในแง่ของเพศหญิงเพศชายสัดส่วนผู้หญิงแปดสบกปอร์เซ็นต ผู้ชาย 71% หมายถึงว่า 86% ของของผู้หญิง 71% ของผู้ชายนั้นเนี่ยนิยมที่จะซื้อหนังสือรูปแบบของหนังสือร้านหนังสือคือสิ่งซึ่งซึ่งได้รับความนิยมสูงสุดหนังสือที่เป็นกระดาษอันนี้คงต้องยำ้ำว่าซื้อจากร้านหนังสือซึ่งเป็นกระดาษที่เป็น 71% รองลงมาซื้อหนังสือซึ่งเป็นกระดาษ ที่ซื้อมาจากร้านหนังสือออนไลน์สามสิบสี่เปอร์เซนและตามมาด้วยการดาวน์โหลดจากแหล่งข้อมูลฟรีสิบเก้าเปอร์เซนตและสุดท้ายก็เป็นอ e ีบุ๊กจากร้านหนังสือออนไลน์อีกสิบสองเปอร์เซนตตัวเลขมันก็อย่างไล่ๆกันไปความถี่ในการซื้อหนังสือคือไม่กี่ครั้งต่อปีนี่สูงสุดสี่บ็ดเปอร์เซนคือเกือบครึ่งไม่กี่ครั้ง รองลงมาซื้อเดือนละครั้งอันนี้ก็น่าชื่นใจว่าหนึ่งปีนั้นเนี่ยซื้อประมาณสิบเดือนละครั้งผมตีว่าเดือนละเล่มปีหนึ่งก็ได้ประมาณสิบสองเล่มกลุ่มนี้นี่สามสิบเ็ดเปอร์เซนกลุ่มถัดมาเป็นกลุ่มที่ซื้อสัปดาห์ละครั้งอันนี้ซื้อค่อนข้างจะเยอะหน่อยสิบแปดเปอร์เซนต์แล้วก็ทุกสองสัปดาห์สี่เปอร์เซนต์ตามลำดับ ตัวเลขที่ชี้ชวนให้เราเราสนใจนั้นเนี่ยผมปรยขึ้นมาตั้งแต่ต้นว่าพบว่าสถิติการซื้อหนังสือของคนไทยนั้นเนี่ยต้องบอกว่าติดอันดับโลกติดอันดับที่สี่ที่พูดว่าติดอันดับที่สี่นั้นคือรองลงมาจากตุรกีอันนี้อันดับหนึ่งอันดับสองคือรัสเซียอันดับสามคือสเปนและอันดับสี่คือประเทศไทย สังเกตว่าฝั่งยุโรปฝั่งอะไรนั้นเนี่ยคลองไปของเราน่าจะอยู่อันดับต้นๆอันดับหนึ่งของทางแถบเอเชียตัวเลขที่บอกว่าตุรกีซื้อสูงเนี่ยคืออย่างน้อยหนึ่งเล่มเนี่ยนะครับ87เปอร์เซ็นไม่ซื้อ13เปอร์เซ็นรัสเซียซื้อรองลงมาอย่างน้อยหนึ่งเล่ม82เปอร์เซ็นตสเปน81เปอร์เซ็นตขณะที่ไทย 79% สิบเก้าเปอร์เซ็นซื้อหนังสืออย่างน้อยหนึ่งเล่มต่อปีออถัดไปเป็นโรมาเนียเจ็ดสิบแปดและรองจากโรมาเนียคือมาเลเซียอันนี้ประมาณเจ็ดิบหกเปอร์เซ็นตตัวเลขที่เขาสำรวจมาทั้งหมดเนี่ยนะสี่สิบเอ็ดประเทศลำดับสุดท้ายไม่น่าเชื่อคือ ประเทศสิงคโปร์ 51% ที่ซื้อหนังสืออย่างน้อยหนึ่งเล่มตัวเลขดังกล่าวนี้ไม่อาจสรุปว่าการซื้อหนังสือมีความสัมพันธ์กับการอ่านเราต้องแยกสองประเด็นว่าเราซื้อหนังสือหรือเราอ่านอย่างที่พูดแล้วว่าอ่านไม่จําเป็นต้องอ่านหนังสือละเพราะว่าปัจจุบันนี้อะไรอะไมันก็เปลี่ยนไปสื่อเ อ, อ่ยอะไรเอ่ยก็เปลี่ยนไปมากละกานที่เรา คือหนังสือจับอ่านหนังสือมันคนละประเด็นก็เป็นไปได้ขย้อนหลังไปในประมาณปี 2,556 ประมาณ6ปีที่แล้วกรุงเทพมหานาครได้ประกาศตัวว่าเป็นเมืองเมืองหนังสือโลกเราลดใช้คำอย่างนั้นเป็นจำไม่ได้ภาษาเอเังกฤษใช้ว่า world reading capital ประมาณอย่างนี้เราก็ดีด้ากันใหญ่ว่าเรา เป็นเมืองหนังสือโลกเราจัดงานประชุมสำมานามีการจำนหน่ายโน่นนี่นั่นแล้วก็ดีใจกันไปเพราะว่าเป็นเมืองหนังสือโลกติดอันดับแล้วนะแต่สิ่งที่มันไม่ได้สัมพันธ์กันก็คือแล้วไงอ่ะมีหนังสือแล้วอ่านหรือไม่นี่คือคําถามสําหรับการที่เราต้องมาตีความกันว่าการอ่านกับการมีหนังสือ มันต้องทําให้เป็นเรื่องเดียวกันหรือเอาใหม่การอ่านไม่จาเป็นต้องอ่านจากหนังสือเล่นเพราะว่ายุคสมัยก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะการดาวน์โหลดมาฟรีไม่ฟรีการไปซื้ออ e ีบุ๊มาการไปอะไรมาอันนี้เป็นเรื่องที่ผมต้องพูดคุยกันค่อนข้างที่จะที่ที่จะดูให้มันลึกซึ้งเช่นว่าคนไทยเรานั้นเนี่ย เวลาซื้อนังสือเนี่ยส่วนใหญ่ก็ซื้อมาจากที่ร้านอาจจะเป็นความนิยมของคนไทยมั้งที่จะไปที่ร้านแล้วก็ไปห้องส ม, มุดส่วนการยืมจากเพื่อนนั้นก็ก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันว่าเพื่อนซื้อเราไม่อยากจะซื้อแต่แต่ส่วนถามสาเหตุว่าทาไมไม่ซื้อทาไมไม่อ่านผงต้องพูดคุยกันใน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 ที่ไม่รู้ว่าเธอคือใครแต่ทุกครั้งเมื่อสบสายตาไกลไกลเท่านั้นก็เป็นสุขใจแม้เป็นเพียงฝันเธอเป็นใครไม่รู้ไม่เคยพบ แต่เมื่อใดที่ล้มตัวลงนอนหลับฝันเราพบเจอกันในนั้นไม่รู้เธอเป็นเพียงฝัน ฟื้นคืนจากเรื่องราที่กัดขันย้ำนิทราในน้ำนิทรายนนใใและฉันเดินเคียงข้างไปชมมุมไหม้ตึ้งดาวกว้างไกลจากนั้นภาพลวง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 02 549 3043หรือที่ www.lotus.rmutt.ac.th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 ของรายการเพลินภาษานานาสาระอีกครั้งครับเมื่อสักครู่นี้ผมพูดกันเรื่องสถิติการซื้อหนังสือของคนไทยว่าน่าดีใจที่เราติดอันดับสี่ของโลกถ้าเกิดเทียบ ก, กันกับประเทศในแถบเอเชีย น, นีย่เราก็ต้องเรียกภาษาวัยรุ่นว่ายืนหนึ่งในในวงการแต่พอเทียบกับเออสิงคโปร์เทชฉไหนสิงคโปร์ถึงได หล่นลงไปอยู่อันดับที่41ในเรื่องของความสนใจในการซื้อหนังสือไม่ได้แปลว่าเขาไม่อ่านนะครับเป็นเด็ดเพียงเขาไม่ได้ซื้อหนังสือเราถึงได้พูดว่าเราต้องตีความกันไปก่อนคนไทยเรายังสนุกกับการมีหนังสืออยู่ในมือซื้อก็อาจจะไม่ได้อ่านแต่ซื้อเพราะเหตุผลอะไรบ้างก็ไม่รู้เป็นของขวัญให้คนอืน่นหรือระดับบารมี ซือเพราะว่าจะได้ไปใส่ไว้ในตู้หนังสือโชว์ไว้ในห้องสมุดหรืออะไรก็ตามแต่รูปแบบหนังสือที่คนไทยยังสนใจจะซื้ออย่างคงเป็นหนังสือกระดาษจากร้านหนังสือซึ่งก็พบในส่วนที่ลึกๆกว่าสมัครเป็นสมาชิกเพื่อจะได้มีส่วนลดแล้วก็ทางร้านก็จะได้เ อ, อลูกค้ามาด้วยก็วินวินคงต้องพูดภาษ า, ษาธุรกิจว่า ยินยินกันอาจจะเป็นมองอีกแง่มุมหนึ่งถ้าเกิดเขาไม่ซื้อเขาไม่ยืมเขาไม่อะไรเนี่ยเขาเอามาจากไหนสิ่งที่เราพบก็คือการดาวโหลดจากแหล่งข้อมูลฟรีตั้งหาเรื่องนี้นี่พูดคุยกับนักเขียนรุ่นใหม่หม่พบว่าการที่คุณไปดาวโหลดมาฟรีเนี่ยมันตีความยากเนื่องจากว่าคนบางคนก็ ใจบุญสุนทานพูดประเด็นใจบุญสุนทานนี่ก็คนไทยอ่านหนังสืออ่านหนังสือน้อยแต่คนไทยใจบุญภาพที่เราเจอในอินเทอร์เน็ตแล้วลองขี่เข้าไปดูในก o เกิลก็จะเห็นว่าคนไทยใจบุญแต่ไม่อ่านหนังสือนี่คือเรื่องอย่างนี้คือมันเป็นกล่องอะคริลิกใสๆที่การไฟฟ้าเขามีเอาไว้เป็นกล่องสําหรับรับเรื่องร้องเรียนแต่นี่คนไทยเนี่ย เขาเขียนชัดเจนว่ากล่องรับข้อร้องเรียนกล่องรับเรื่องร้องเรียนทั้งข้างบนซึ่งเขาเจาะเป็นรูไว้ทั้งข้างหน้าเขาก็เขียนซ้ายขวาหน้าหลังก็เขียนแต่ในนั้นไม่มีเรื่องร้องเรียนเราเจอแต่เหรียญเราเจอแต่ธนบัตรซึ่งออกจะประหลาดว่าคนไทยใจบุญนะแต่คนไทยไม่อ่านอย่าว่าแต่ข้อความ 2บรรทัดแปบรรทัดที่เราเที่ยมันล้อกันอยู่เข้อความแค่สั้นๆนอย่างนี้คนไทยยังไม่อ่านคุยปัญหานี้กับนักศึกษาว่าข้อนี้สะท้อนว่าคนไทยใจบุญแต่ไม่อ่านหนังสือแต่นักศึกษาจะให้ข้อคิดว่าไม่ใช่เขาอาจจะไม่ใช่ไม่อ่านเขาก็อ่านแล้วเขาก็รู้รู้ด้วยว่ามันก็เป็นเรื่องร้องเรียนเขาไม่มีเรื่องร้องเรียน แต่เมื่อเขามาจ่ายเงินให้กับการไฟฟ้าตรงนั้นสมมติอ่ะร้อยเก้าสิบแดบาทห้าสิบตะตังสมมติจ่ายไปสองร้อยทอนมัหนึ่งบาทห้าสิบก็ไม่อยากจะเก็บหนึ่งมาแ้วก็ใส่ไปในนี้เลยไหนๆเธอเขาจะเปิดแล้วก็อาจจะเป็นการมองโลกในแง่ที่ดีหรือมันอาจจะเป็นอุปาทานหมูที่เห็นคนเขาหยอดฉันก็ไม่อ่านจริงนั่นแหละฉันก็จะ อ, อไปด้วยอะไรอย่างนั้นมัทิประเด็นว่ะ การที่คนไทยเราซื้อแล้วไม่อ่านกับกับการที่ซื้อแล้วไปประดับบารมีนั้นเป็นอย่างไรที่พูดว่าคนไทยใจบุญประการหนึ่งก็คือไปอัดเพศเหมือนจะเป็นหนังสือเสียงอ่ะอันนี้คือความใจบุญให้กับผู้พิการทางสายตาคือคนตาบอดนี่แหละพูดง่ายง่หรืออาจจะสำหรับผู้เท่าผู้แก่อะไรที่ หูตาไม่เคยจะดีก็ก็เปิดฟังตัดตาไม่ดีหูก็ยังพอจะใช้ได้ก็อ่ะก็ฟังัดแต่เรื่องที่คุณทํานั้นเนี่ยปัญหาคือมันไปละเมิดลิขสิทธิ์เขาหรือเปลา่าการที่เราเราเห็นว่าหนังสือนักวิทยาเรื่องนี้มันน่าสนใจเรื่องสั้นเรื่องนี้น่าสนใจแล้วเราเอามาอ่านอ่านอ่านให้คนอื่นเขาฟังเนี่ยเราอาจจะได้บุญนะ แต่เราก็ต้องเคารพว่านี่คือลิขสิทธิ์มันเป็นสิทธิทางปัญญาของเขาข้อ น, นี้ก็เป็นประเด็นร้อนของสังคมไทยเช่นเดียวกันว่าแม้แค่นี้ให้กันไม่ได้เอาอย่าลืมว่าคนที่เขาเป็นนักเขียนกว่าเขาจะคิดพลัดเรื่องกว่าเขาจะวางโครงเรื่องว่าจะปรุง่ปจะแต่งอะไรเขาใช้เวลานานแล้วเราก็อยู่ๆก็ไปหยิบมาจะมาพูดว่า ก็มันเป็นวัฒนธรรมร่วมมันเป็นวัฒนธรรมแห่งชาติมันเป็นอะไรคุณจะมาถือเป็นมรดกของคุณมันก็ไม่ถูกนะับผลิตออกมาแล้วก็น่าจะใจกว้างก็เป็นเรื่องต่างมุมมองแต่โดยสุนตัวคิดว่าเราต้องเคารพซึ่งกันและกันถ้าคุณอยากจะอัดเสียงเพื่อที่จะเป็นหนังสือเสียงเป็นเทปหรือเป็นอะไรก็ตามแต่ขออนุญาตกันก่อนไหมหรือเขาอาจจะมี อะไรที่มีช่องทางสําหรับการทำอาหากินของเขาก็ก็ค่อยว่ากันอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่น่าสนใจถามว่าปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้คนไทยเราเลือกซือหนังสือคือตัวไหนที่มันกาหนดวิธีการซื้อหนังสือนั้นเนี่ยพบว่ามันเป็นของเออมันเป็นห น, นังสือซึ่ง เราต่อรองได้ราคาที่มันถูกกว่าอันนี้เราต่อรองได้หรือเรามีส่วนลดหรือเราอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันดับต้นๆเป็นอย่างนี้เอ่อถัดมาก็เป็นเรื่องของซื้อตามคาแนะนำของเพื่อ น, เ พ, อนเพื่อนบอกเล่นนี้ดีเล่นนั้นดีอาะเราก็ไปซื้อตามมีเรื่องของการไปดูเต้องเรียกว่าตามรีวิว อ, ะอ่ะ เป็นเรื่องการอ่านรีวิวหรือไม่ความคิดเห็นของนักเขียนนักเขียนบล็อกบล็อกอะไรทั้งหลายเนี่ยเหมือนกับเราจะไปกินอาหารน่ะแล้วเราก็เสิร์ชหาดูร้านนั้นร้านนี้มีรีวิวอ่ะแล้วก็ดูว่าราคาคุณภาพอาหารปริมาณบรรยากาศอะไรเงี้ยเราเห็นเราก็าก็ไปตามนั้นเหมือนกันกันคือมังสื้อก็จะมีคนมาดีวุกีด้วยมีส่วนหนึ่งบอกว่าซื้อตาม ตามภา พ, พยนต์คือไปดูภา พ, พยนต์มาแล้วแล้วก็มาซื้อหนังสือตามหรือบางคนก็อาจจะอยากจะไปดูภา พ, พยนต์เรื่องนั้นแต่ซื้อหนังสือประกอดก็มีความสัมพันธ์กันในส่วนน้อยมากที่บอกว่าเลือกซื้อหนังสือเพราะเป็นหนังสือที่ได้รับรางวัลหรือการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับรางวัลเช่น รางวัลสีห้งสีไรส์อย่างนี้เป็นต้นเออแต่ยังไงก็ตามแต่มีส่วนหนึ่งตอบเช่นเดียวกันว่าไม่ได้ซื้อเพราะปัจจัยอื่นเลยนอกจากซื้อเพราะตัวเองอยากจะซื้ออันนี้กเ็เป็นเรื่องที่น่าสนใจจับลึกลงไปว่าวัรนกรรมประเทศไหนบ้างที่คนไทยอ่านมากที่สุดนิดูที่เฉพาะคนไทยนะครับ หนังสือที่ได้รับความนิยมแน่นอนหนีไม่พ้นนวนิยาย49เปอร์เซ็นนี่เกือบจะครึ่งหนึ่งของคนที่อ่านอ่านหนังสือถัดมา40เปอร์เซ็นตเป็นหนังสือเกี่ยวกับพวกงานอดิเรกงา น, น, นลูกต้ไม้เลี้ยงสัตว์ยดปักอักษรพอดิบป ร, ดประดอยอย่างนี้เป็นต้น34เปอร์เซ็นเกี่ยวข้องกับเรื่องธุรกิจ มีเรื่องเกี่ยวกับสารทฤษีอีกประมาณยี่สิบหกเปอร์เซนตแล้วกเ็เรื่องที่คนไทยนิยมน้อยเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ที่เป็นวิทยาศาสตร์ยอดนิยมหรือวิทยาศาสตร์ที่เป็นที่เป็นตำราเรียนนี่ก็เป็นตัวเลขที่สะท้อนให้เห็นว่าคนไทยยังอยากอยู่กับ ความฝันอยู่กับเรื่องที่แต่งอย่างที่ได้พูดแล้วว่าเป็นนวนิยายนันสือซึ่งได้รับความนิยมค่อนข้างที่จะสูงเนี่ยนะทั้งเรื่องแต่งและเรื่องไม่แต่งเนี่ยนะสูงสุดนี่คือประเภทพวกสายไฟก็คื อ, อ, อนวิธิใหญ่แนววิทยาศาสตร์แซนตประสี 4, พวกนี้พอๆกันกับจักรูน อย่ น, นี้เป็นประเทหนังสือที่ได้รับความนิยมสูงถัดมาเป็นเรื่องการผจมภยัยเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องรักโรแมนติกมีเรื่องสมัยใหม่รองไปรองไปก็เป็นรัทึกนขวัญอาจั ก, กรรมแนวคลาสสิกมีบ้างและที่หน้าน้อยใจมากคือบทกวีอันนี้นะไม่รู้นะหน้าน้อยใจหรือว่า อะไรก็ไม่รู้แต่โดยส่วนตัวในฐานะของคนที่ชอบอ่านบทกวีกวีนิพนธ์อย่างนี้จำนวนน้อยทีเดียวในวงการตลาดเนี่ยถ้าเผื่อว่าผลิตออกมาแล้วต่อให้ได้รับรางวัลระดับชาติระดับภูมิภาคบอกได้เลยว่ายอดจำหน่ายนั้นน้อยเมื่อเทียบกับนวนิยายหรือเรื่องสั้นหรือรวมเรื่องสั้นบทกวีกวีนิพนธ์นี่น้อยมากหรือคนซื้อไปก่อ เนื่องจากว่ามันไม่ใช่เป็นนักมินนี่ใหญ่ที่ต้องนั่งลุ้นไปว่าตัวละครจะตัดสินจอะไรยังไงเราก็ไม่เป็นหลอ่าซื้อมาเพราะเพราะคนเขาแนะนําหรือคนเขาให้มาก็าไม่แน่ใจเหมือนกันได้มาแล้วจะอ่านหรือเปล่าหรือเลือกอ่านแค่บางหน้าบางเรื่องก็เป็นไปได้เดี๋ยวจะมาคุยกันต่อแม้มีประเด็นเรื่องที่จะต้องคุยเกี่ยวกับการอ่านกับการซื้อหนังสือสองเรื่องนี้จะเป็นเรื่องเดียวกันหรือไม่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 เป็นด้วยเหตุใดเก็บความคิดที่คล้ายกันกับความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนั้นไว้หากวันไหนที่เธอเกิดจะเจอ จะเป็นเรื่องใดที่ทำให้เธอท้อแท้ ไปจะไกลไกลถ้าหากเป็นเธอจะรีไปให้เธอได้ความสบายใจเพราะจงรู้ว่ามีอยู่ตรงนี้อีกคนกับชีวิตที่วอกวนจะมีผู้คนกี่คนที่เป็นมิตรแท้ อยากให้เธอได้มีสิ่งที่ดีเรื่อยไปหากวันไหนเกิดทุกข์ภัยโปรดจงมั่นใจฉันจะไปได้ทันใดจะไปยืนเคียงข้างเธอไปดูแลเป็นเพื่อนเธอให้เธอหมดความกังวลใจจะไปทันใดจะตรงไปจะใกล้ เป็นเธอจะรีไปให้เธอได้ความสบายใจาจะไปไทานใดจะมียืนเคียงข้างเธอไปอยู่ดูแลเป็นเพื่องเธอให้เธอหมดความกังวลใจ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 นสักครู่นี้คุยกันว่าดเรื่องสถิติการซื้อหนังสือกับการประเภทของหนังสือที่คนไทยเลือกซื้อพอถามถึงเหตุผลว่าถ้าจะซื้อหนังสือสักเล่มหนึ่งเนี่ยมีเหตุผลอะไรบ้างส่วนใหญ่เนี่ยตอบว่าเกินครึ่งนะครับ56เปอร์เซ็นบอกว่ารักในการอ่าน ถัดมาหนีบอกว่าเออเป็นคำตอบซึ่งสอดคล้องกันกับประเภทของหนังสือคืออ่านเพื่อคลายเครียดนั่นแปลว่าเขาก็เลือกเรื่องที่เป็นเรื่องแต่งก็คือเรื่องสั้นวรรณนิยายหรืออะไรก็ว่ากันไปถัดมานีถ้าจะซื้อเป็นเพราะการศึกษาหรือการทำงานอันนี้แม้ไม่อยากจะพูดเลยว่า พราะถูกบังคับให้ซื้อหรือเปล่าโดยชฉพยาะอย่างยิ่งเรื่องของการเรียนการศึกษานี่ถูกครูบาอาจารย์บังคับให้ซื้อจริงจะต้องซื้อ15เปอร์เซนต์บอกอย่างนั้นและก็มีไม่น้อยนะครับ13เอร์เซ็นตบอกว่าซื้อเพื่อไปเป็นของขวัญ น, นี่แหละที่ผมพูดว่าถ้าหากว่าเรามองในแง่ของของการที่เราซื้อหนังสือกับเราอ่านหนังสือเราคิดอย่างไร ทีนี้พอเราคิดอย่างไรมันก็สอดคล้องกันว่าก็ซื้อนะแต่ซื้อไปเป็นของขวัญแต่ฉันไม่ได้อา่านของเหตุผลของการที่ไม่ได้อ่านนั้นเนี่ยอาจจะมีหลายเหตุผลหนึ่งในเหตุผลของการที่เขาไม่ได้อ่านเนี่ยเขาอ้างเรื่องราคาหนังสือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับราคาหนังสือเนี่ยเกือบครึ่งบอกว่าหนังสือในเมืองไทยราคาถูก แต่บางคนก็บอกว่าเหมาะสมดีบางคนบอกว่าแพงและบางคนก็บอกว่าราคามันสูงนจนเกินไปเกินกำลังที่เขาจะซื้อได้ข้อมูล น, นี้นี่เออตอนที่มีนักศึกษาชาวจีนมาเรียนในเมืองไทยเนี่ยเราก็คุยกันประเด็นเรื่องเรื่องหนังสือเรื่องการซื้อหนังสือเรื่องการอ่านหนังสือนี่แหละนักศึกษาชาวจีนเมื่อสักสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ก็บอกว่า ทำไมหนังสือในเมืองไทยราคาสูงจังยเองก็อธิบายไปว่าต้องเข้าใจนะว่าประชากรคนไทยอปีตัวเลขกลมๆหกสิบล้านพอขณะที่ประเทศจีนหนึ่งพันห้าร้อยล้านอย่างเงี้ยผลิตหนังสือมาสักเรื่องหนึ่งเนี่ยคนไทยผลิตเนี่ยไม่ต้องว่าใครหรอกว่าที่พูดจากรายการนี่แหละตำราเรียนของตัวเองผลิตมาครั้งละประมาณ 6 0ร้อยเล่มแปดร้อยเล่มหนึ่งปีนี่บางปีนี่ผลิตได้มาเพียงแค่ประมาณหนึ่งพันหนึ่งพันสองร้อยเล่มยังหายแค่จะไม่หมดเลยแล้วเมื่อเทียบกับประเทศเขาอ่ะถ้าหากว่ามีคนอ่านหนังสือเราขอแค่สักสักหนึ่งเปเซนของหนึ่งพันห้าร้อยล้านอ่ะมันจะเทียบเท่ากับเท่าไหร่ล้านถ้าเป็นแล้วละ่ะเพราะฉะนั้นการที่ผลิตหนังสือมาสัก เรื่องหนึ่งเนี่ยเขาก็าผลิตเยอะเพราะผลิตเยอะระบบการการพิมพ์เนี่ยอย่างที่รู้กันก็คือเพลทหนึ่งเพลทเนี่ยถ้าเกิดคุณก๊อปี้ไปหนึ่งร้อยก๊ก๊อระบากแต่ถ้าคุณสองร้อยก๊อมันก็จะเหลือสักประมาณประมาณแปดิบตังค์แต่คุณส า, ามร้อยก๊อไปก๊อไปราคามก็จะถูกวงถูกวงหรือการจ่ายค่าค่าตอบแทนให้กับ นักเขียนบ้านเขาก็อาจจะอาดูจักยอดก็ได้เล่นละไอ ย, ยู่น่ะสมมติไปบ้านเรากว่าจะอะไรอะไรเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันว่าด้วยเรื่องราคาของของหนังสือซึ่งเราพูดกันว่าราคาของหนังสือเป็นหนึ่งปัจจัยที่ทำให้คนอยากอ่านหรือไม่อยากอ่านมาดูจากข้อมูลจาก voice online บอกว่าสำนักงานสถิติแห่งชาติกับทีเค r k ก็คือสำนักงานอุทยานการเรียนรู้เนี่ยได้ถแถลงข่าวผลการผลสำรวจการอ่านของประชากรประจำปี2561ก็คือปีแล้วเพราะว่าสิ้นปีไปละคนไทยอ่านหนังสืออยู่ที่ 178.8 กรุงเทพมาเป็นอันดับหนึ่งของเมืองที่อ่านหนังสือขนาดที่ ยังมีคนไทยไม่อ่านถึงร้อยลยี่สิบเ็ดสองไปดูกลุ่มกลุ่มไหนอ่านสูงสุดกลุ่มวัยรุ่นใช้เวลาอ่านสูงสุดเมื่อเทียบกับทุกวัยและผลก็ยังพบอีกว่าหนังสือยังไม่ตายอันนี้เขาเขาใช้คำนี้นะครับตัวเลขการอ่านหนังสือเล่นเนี่ยร้อยลาแปดสิบแปดมาพร้อมๆปีคู่กันมากับการอ่านบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละเจ็ดจุดห้าจุดสี่นั่นแปลว่าอ่านจากอีบุ๊กบ้างจากอะไรบ้างการตีความเรื่องของการสํารวจเรื่องของการอ่านนั้นเนี่ยเดิมบอกพูดจะว่าการอ่านหมายถึงการอ่านหนังสือหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่หลังๆมานี่ก็มาตีโจทย์กันใหม่ว่าการอ่านมันไม่จําเป็นต้องอ่านจากหนังสือก็ได้อ่านจากอย่างอื่นก็ได้ เช่นอ่านจากเอ่อจากจากเว็บไซต์อ่านจากอ e ีบุ๊กอ่านจากอะไรอย่างนี้สื่ออิเล็กทรอนิกส์จึงทำให้ตัวเลขของการอ่านของคนไทยนั้นเนี่ยสูงขึ้นเพราะว่าสื่อไอทีทำให้มีการอ่านที่ ความบางทีอะไรก็น่าชื่นใจแบบถ้าจะนักว่าการอ่านมันเป็นอย่างนั้นสิ่งที่น่าสนใจก็คือในปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดที่ผ่านมาพบว่าคนไทยใช้เวลาอ่านเพิ่มมากขึ้นเป็นแปดสิบนาทีต่อวันอ่านหนังสือเล่มร้อยละแปดสิบแปดอ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสิเจ็ดสิบห้าจุดสี่ที่เป็นระดับที่ใกล้เคียงกัน สแสดงว่าหนังสือเล่มก็ยังคงคง อ, อ, อยู่ในในระดับที่เขียงคู่กันมากับสื่อใหม่ๆเปรียบเทียบย้อนไปสักประมาณปีห้าแปดพทุสาปีเ็าจะเขาจะสำรวจในปีห้าแปดนั้นเนี่ยคนไทยโดยเฉลี่ยนั้นอ่านเพียงแค่หกสิบหกนาทีถอยลงไปอีก3าปีก่อนหน้านั้นคือปีห้าหก คนไทยอ่านแค่สามสิบเจ็ดนาทีนั่นแปลว่าปีห้าหกอ่านสามสิบเจ็ดนาทีปีห้าแปดอ่านหกสิบหกปีหกหนึ่งอ่านแปดสิบนาทีต่อวันที่พูดนี้คือต่อวันก็ไม่อาสรุปนะครับว่าการที่เขาอ่านเออออของเขาการที่เขาเช็คเมลนั้นเนี่ย มันเป็นไปตามความจําเป็นของชีวิตใช่หรือไม่เช่นการส่งเมลผ่านกันไปกันมาในแงน่ของการติดต่อสื่อสารในวงการธุรกิจหรือการที่ตัวเองมีหน้าที่ต้องเป็นนักเรียนนักศึกษาอาจจะอ่านนักขึ้นนักขึ้นนี่เป็นตัวเลขที่น่าสนใจสถิติการอานของคนไทยนั้นเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์เนื่องจากว่า หลังๆมันนี้ต้องยอมรับว่าเราก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตัลมากขึ้นการอ่านผ่านสื่อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะส่งผลต่อการอ่านข้อที่เรากังวลในยุคดิจิทัลนี่นี่แหละห้องส ม, มุดเออร้านหนังสือเอยส่วนงานที่เกี่ยวข้องก็เริ่มจะตะขั้นตะขอต่อการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเด็กจะไม่อ่านหนังสือที่เป็นเล่มๆแล้ว อที่พูดว่าไม่อ่านหนังสือที่เป็นเล่นเล่นแล้วห้องสมุด อ, อะไรทั่วโลกนะครับเขาก็มีการปรับตัวว่ า, เ, าเราจะทำอย่างไรให้คนอ่านเขาก็อาจจะมีการอนุมัติจัดซื้อคอมพิวเตอร์มีเรื่องเครื่องปริ้นเข้ามาให้บริการกรณีที่อยากจะปริ้นหรือจะจะเก็บข้อมูลอะไรไปตัวเลขนั้น <c oughs> ถ้าจะว่าไปนั้นเนี่ยตัวเลขคนอ่านเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็ยังมีตัวเลขของคนที่ไม่อ่านอีกนะครับเราโมเด็ตไปดีใจสรงที่ผมตีไว้ว่า 80% อ่านนั่นก็แปลว่ามีอีก 20% ที่ไม่อ่านเลยเหตุผลของการไม่อ่านนั้นเนี่ยมีหลายอย่างเช่นที่เก็บอ่านเพราะว่าดูทีวีก็ได้มีนวนิยายเรื่องนี้เต่ทังจากจะกดูทีวีแล้วก็ข้อ ข้ออ้างซึ่งเป็นข้ออ้างท็อปคิปเลยคือไม่มีเวลาอันนี้จะเป็นข้ออ้างทุกอย่างพอจะทำอะไรออกกำลังกายไหมไม่มีเวลาไปเที่ยวั้มไม่มีเวลามีเวลาไปหาคนไหมไม่มีเวลาอะไรทั้งนั้นและก็มีส่วนหนึ่งบอกว่าอาจไม่ออกอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าสภาพวของการไม่รู้หนังสือของไทยเราอย่างนี้ ส่วนใหญ่อีกเช่นเดียวกันบอกไม่ชอบไม่สนใจการอ่านถามว่าไม่สนใจการอร่านแล้วทําไงก็ชอบเล่นเกมมากกว่าบางส่วนตอบว่าไม่มีเงินเพื่อที่จะซื้อหนังสือซึ่งข้อการไม่มีเงินเพื่อที่จะซื้อหนังสือนั้นก็ไม่น่ากังวลเพราะว่าห้องสมุดประชาชนห้องสมุดถึงเอกชนก็เถอะก็ยังมีให้บริการกันทั่วไปคนไทยที่ไม่อ่านเนี่ย ที่บอกว่าไม่ชอบไม่สนใจอ่านเนี่ยนะจิตสี่ล้านคนเนี่ยนะบอกว่าไม่อ่านไม่ชอบอ่านถึงร้อยละยี่สิบห้าจุดสองตัวเลขไม่ใช่น้อยสามล้านกว่าคนเนี่ยนะเป็นตัวเลขที่ไม่น้อยเลยคนกลุ่มนี้เป็นเรื่องที่อุทยานการเรียนรู้ทีเคพาร์ตหน่วยงานซึ่งส่งเสริมการอ่านนั้นจําเป็นจะต้องเข้ามา ดูแลแล้วก็มาปลูกฝังนิสัยรักการอ่านว่าเราจะทําอย่างไรให้เกิดการรักการอ่านเกิดขึ้นเรื่องที่จะปลูกฝังให้มีนิสัยรักการอ่านออในเมืองไทยทําอย่างไรเมืองนอกประสบความสําเร็จมากน้อยแค่ไหนคงต้องขอแปะกันไว้สําหรับข่าวต่อไปวันนี้เวลาของ รายการเพลินภาษานานาสาระก็จะเปร็จจะต้องปิดไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนเพราะเวลามีจำกัดกลับมาพบกับรายการเพลินภาษานานาสาระได้ทางคลื่น 89.5 เมก อ, อย่างนี้ได้อีกครั้งในสัปดาห์หน้าสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ